ทุกคนมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เหมือนกันอาจจะว่าเป็นสัญชาตญาณก็ได้แล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์หลายชนิดจำนวนมากมก็มีนั่นก็คือความรักสุขเกลียดทุกข์ความรักสุขเกลียดทุกข์มันก็ทำให้ เรามีแรงผลักในการที่จะหนีห่างจากอันตรายซึ่งนำมานำความทุกมาให้แล้วก็พยายามที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างนะเพื่อทำให้เกิดความสุขมีการคิดค้นเทคโนโลยีมากมายนะเพื่อทำให้ชีวิตมันสะดวกสบาย แมกระทั่กทงการที่พวกเรามาเข้าหาธรรมะก็เพราะความรักสุขเกลียดทุกข์นี่แหละแต่ว่าความรัสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็สร้างปัญหาให้กับเราไม่น้อยทีเดียวนะเพราะว่าสุขที่เรารักเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยง เรารักสุขเท่าไหร่มันก็ไม่ก่อปัญหาตามมาทั้งความรู้สึกสุขและสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันรู้แล้วแต่ไม่คงที่ไม่คงทนปัญหาคือพอเรารักอะไรก็ตามมันก็จะมีความยึดในสิ่งนั้นพอยึดแล้วไอ้สิ่งที่ยึดนั้นเนี่ยมันเกิด แปรผันไปเกิดเสื่อมสลายไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือทุกข์ความรักสุขนี่มันทำให้ทุกข์นะถึงแม้ว่ายังไม่สุกยังไม่ทุกข์วันนี้นะแต่ว่าวันหน้าก็จะทุกข์เพราะสิ่งที่เรารักเรายึดนั้นมันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลย หลายคนก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวเองรักอย่างดูง่ายๆนี่แม่พ่อก็ทุกข์เพราะลูกหลายคนก็ทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติที่หวงแหนมันแปรผันไปหลายคนรักร่างกายรักความหนุ่มความสาวความสวยความหล่อเสร็จแล้วพอร่างกายเจ็บป่วยแปรผันไป ไม่สวยไม่หนุ่มเหมือนเมื่อก่อนนะก็ทุกข์กลุ้ม อ, อกกุ้มใจไม่เรียกว่าอะไรก็ตามที่เรารักนี่มันก็แล้วแต่นำพาความทุกข์ให้กับเราในที่สุดทั้งนั้นอย่างที่ผู้ไว้เมื่อวานอันนี้พระเจ้าก็เคยจัดกับนางวิสาขาเองซึ่งร้องห่มร้องไห้เพราะสูญเสียตาน กุจาก็ถามว่าเนี่ยรักหลานนี้ไหมรักหลานคนนี้ไหมบอกรักมากกเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยรักร้อยก็ทุกร้อยนะรักเก้าสิบก็ทุกเก้าสิบรักสิบก็ทุกสิบถ้าไม่รักเลยนะก็ไม่มีความทุกข์ความรักที่พูดถึงนี้ไม่ใช่รักแบบเมตานะถ้ารักแบบเมตตาก็อันหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ จะมีความรักที่เจือปนด้วยตัณหากิเลสความยึดมั่นในตัวกูของกูอันนี้เราสเสน่หาเมิตากับเสนหานี่มันไม่เหมือนกันนะแม้จะเป็นความรักเหมือนกันเมตตานี่เป็นความรักที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่มีเงื่อนไขเลยอย่างที่พระเจ้านี่เมตตาต่อสรรพสัตว์แต่สเสน่หานี่มันเป็นความรักที่เจือไปด้วยกิเลส ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมีตัวกูเป็นศูนย์กลางรัก ล, ลูกก็อยากจะให้ลูกทำตามคําสั่งของตัวเรียนวิชาหรือเรียนคณะที่ตัวเองชอบมีอาชีพยอย่างที่ตัวเองปรารถนาเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทั้งนั้นไม่ใช่ความปรารถนาของลูกเลยคานลูกจะเรียนในวิชาที่ตัวเองเลือก วิชาที่ลูกเลือกแม่ก็เป็นทุกข์สุขนี้รักเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์มาเท่านั้นรวนนั้งสีงให้ความสุขกับเราทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะทุกข์นี่มันมันไม่ก่อดพิษสงมากจนกว่าเราจะเกลียดมนนันเพราะว่าพอเกลียดมาแล้วนี่มันก็ยิ่งซ้ำเติมความทุกข์เข้าไปใหญ่เช่นความปวดความเมื่อยนี่มันก็เป็นทุกข์นะ แต่พอเกลียดมันผักสายมันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความทุกข์ใจทุกกายก็ยังไม่หายดันมีความทุกข์ใจเข้าไปอีกทุกกายบางอย่างนี่มันก็บรรเทาได้นะความเกลียดทุกข์บางอย่างก็ช่วยทำให้เราสามารถจะห่างกลาจากความทุกข์นั้นได้เช่นเราไม่ชอบความร้อนเราก็เปิดพัดลมติดแอ ความทุกข์กายก็หายไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะหนีความทุกข์กายไปได้ไปได้ตลอดนะพอเจอมันไม่พ้นเข้าทำยังไงไอ้ความเกลียดทุกมันก็อาระวาดเลยก็ทำให้รุ่มร้อนทั้งกายและใจอันนี้ไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะความทุกข์อย่างอื่นด้วยเช่นความพัดพราสูญเสียการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก การพลาดพาจากสิ่งที่รักนะหรือว่าเอาแค่ ง, ง่ายๆเนี่ยเสียงที่ได้ยินถ้าเกิดไม่ชอบเสียงนั้นขึ้นมาก็ทุกทันทีไม่ว่าเสียงนั้นนี่มันจะเพราะแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ชอบเกลียดมันอาจจะเพราะเกลียดนักร้องหรือเกลียดคนแต่งหรือเกลียดเนื้อหาทุกใจขึ้นทันทีเลย ทั้งที่เสียงนั้นก็ไม่ได้บั่นทอนหรือกระทบสวดภาษาเราเท่าไหร่แต่ว่าใจมันทุกข์มันเร่าร้อนอันนี้เรียกว่าเพราะความเกลียดทุกข์ทุกเราเกลียดได้ถ้าเกิดว่าแน่ใจว่าจะหนีทุกข์พ้นแต่ถ้าหนีทุกข์ไม่พ้นต้องเจอนี่ยิ่งเกลียดเราเองนั่นแหละก็จะยิ่งทุกข์ ในทางตรงข้ามถ้าเราเฉยๆกับมันนะมันก็ไม่ทําให้ทุกข์มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความกลัวความชิงชังไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับใครมันก็ทําร้ายบั่นทอนย่ํายีจิตใจทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเกลียดทุกข์นี่มันก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกัน ทั้งรักสุขก็ตามทั้งเกลียดทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นตัวปัญหาไม่เมื่อเรามาในแง่หนึ่งมันก็มีประโยชน์นะมันผลักพลาให้เรามาถึงนี่มาปฏิบัติอพวกเรามาที่มาปฏิบัติส่วนนี้ก็เพราะความรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละแต่ว่าพอมาถึงนี่แล้วพอมาเจริญสติด้วยแล้วเนี่ย ต้องรู้จักเนะี่ยที่จะวางวางความรักสุขเกลียดทุกข์ลงไปเพราะว่าถ้าเรายังมีความรักสุขเกลียดทุกข์นะพอปฏิบัติเกิดความสงบก็หลงรักมันหลงไหลมันแล้วพอความสงบหายใจก็ทุกข์หลายคนปฏิบัติด้วยความทุกข์ ทั้งทัีท่เมื่อวานนี้นะปฏิบัติได้ดีแต่ทุกสละวันนี้ก็พอแหละเพราะเมื่อวานนี้ชอบนะชอบอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันสงบมันโปร่งเบาปฏิบัติวันนี้อยากได้อีกอยากได้อย่างวันนั้นอย่างเมื่อวานแต่เพรากว่มันหายไปซะแล้วทำเท่าไหร่เท่าไหร่ใจก็ไม่สงบแถมฟุ้งซ่าน เกิดอะไรขึ้นก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันไม่สงบมันไม่โปร่งเบาเหมือนเมื่อวานให้รู้ว่าที่ทุกข์นี่ก็พอรักสุขนะให้รักความสงบอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานรักอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ไยบวกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานลแล้วเราก็ยึดนะพอมาปฏิบัติวันนี้ใจก็ยังอยากจะได้อย่างนั้นอยู่พอไม่ได้นี่ทุกข์เลยทั้งที่ ก็ไม่ได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่ฟุ้งไปตามปกติแต่มันไม่เหมือนเมื่อวานความยึดความอยากอารมณ์อย่างเมื่อวานก็ทําให้ไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความทุกข์ขึ้นมานปัปฏิบัติหลายคนทุกข์นะเพราะความรักสุขแล้วก็ปฏิทุกข์ก็เพราะความทุกเลือดทุกข์นี่แหละนะคือพอเกิด ใจมันง่วงหรือว่าฟุง้งหรือว่ามีความหงุดหงิดขึ้นมามีความเครือดขึ้นมาก็ไม่ชอบพยายามผลักไสมันเกลียดมันเนี่ยเกลียดมันก็ผลักไสมันยิ่งผลักไสเท่าไหร่ก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่ความทุกข์ความฟุ้งซ่านนี่ยิ่งไปผลักไสมันนี่ไปกดกดมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งอาละวายิ่งทำก็เลยยิ่งหงุดหงิด ภาพบางรูปนี้หงุดหินมากถึงขั้นเอารองเท้าแตะฟาดัวตัวเองเพราะว่ามันเครียดนะเครียดจนลืมตัวแล้วที่เครียดก็เพราะว่าใจไม่สงบฝฟาดรองเอารองเท้าแตะฟาหัวตัวเองแล้วก็บ่นว่าทำไมมันคิดมากแบบนี้คิดมากแบบนี้ก่อนมาปฏิบัตินี่คิดมากก็ไม่เป็นไรเฉยๆแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยอยากจะให้ความคิดมันหยุดไอ ความคิดมากก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่ก่อนไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ได้มีความอยากจะให้มันสงบนะพออยากจะให้มันสงบมันความคิดมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจริงๆความคิดไม่เป็นปัญหานะมันเป็นธรรมดาของมันแต่ความเกลียดมันตังหากความไม่ชอบมันต่างหากนเวลาเรามาปฏิบัตินี่อย่างแรกหรือว่าสิ่งที่ควรทาไม่ได้คือว่า รู้ทันความรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ว่าสุขไม่ว่าสิ่งที่ให้ความสุขนั้นมันจะมาจากภายนอกคือรูปรากินเสียงสัมผัสหรือมาจากภายในคือธรรมารมให้รู้ทันแล้วก็วางใจเป็นกลางนะต่อสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นให้ได้อ น, นี้เป็นการบ้านนะเป็นการบ้านก็เป็นตัววัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราว่า เราเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นไหมที่จริงเวลาเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่ากายานุปัสสนาเวทนาจิตตาจึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะถ้าเร า, อ, าอ่านหรือทัจทะยายนะพระสูตรในส่วนนี้ก็จะพบว่าเนี่ยท่านจะมีประโยชน์ตอนที่ท่านเน้นวันเนี่ย ทำความเพียรเครื่องพากกิเลสมีสติมีสปันชัญญะมีสปันชัญญะมี ส, ญญมสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พอใจก็คือรักไม่พอใจคือเกลียดนั่นเองอการปฏิบัตินี้เราก็ต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกในที่นี้มันครอบครุ่ตั้งแต่รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสเป็นถึงธรรมารม์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ความเกลียดและความรักนี่รวมทั้งความพอใจและความไม่พอใจนี่เราเรียกยันว่าความปรุงแต่งนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตโนมัตมันเหมือนเวทนาในะเวทนาทางกายเนี่ยเกิดขึ้นโดยตโนมัติเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาบางครั้นมีเวทนาบางครั้งไม่มีเวทนาบางครั้งบางครั้งมีทุกขเวทนาบางครั้งไม่มีทุกขเวทนาแต่เป็นสุขเวทนามาแทน และบางครั้งก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาคือเป็นกลางกลงทนันทีที่ตาเห็นลูกผูได้ยินเสียงนะเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสุขหรือทุกข์จะเป็นอทุกขมะสุขก็ตามมันเกิดขึ้นอัตโนมัติปฏิเสธไม่ได้ส่วนความชอบความชังความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความยินดียินร้ายเนี่ยอันนี้เป็นความปรุงแต่งล้ว มันมีจุดชีมันมีเส้นแบ่งตรงนี้นะเวทนาทางกายนี้เกิดขึ้ น, ดนโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดภรรษาพระพุทธเจ้าก็มีพระอาหารหันต์ก็มีแต่ว่าความชอบความชางังความยินดียินร้ายความพอใจและความไม่พอใจนี่พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าท่านไม่มีแล้วแต่ว่าปุถุชนยังมีอยู่ตรงนี้แหละที่มันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะความปรุงแต่งนี่แหละไม่ใช่เพราะผัสสะนะผัสสะคือการรับรู้ อ, อารมณ์ใดก็ตามมันไม่ทําให้เกิดทุกข์จนกว่ามีกระบวนการปรุงแต่งเกิดขึ้นทุกที่ว่านี่คือทุกใจนะไอ้ทุกข์กายนี่มันเกิดขึ้นโดยตันอมัติอยู่แล้ว ส่วนทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภาษาตาก็ทบลูกหูได้ยินเสียงถ้าหากว่ารู้เฉยๆเกิดภาษาขึ้นเฉยๆไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าร้อยท่องร้อยเนี่ยนะพอเกิดภาษาขึ้นมามันเกิดการปรุงแต่งตามมาทันทีเช่นชอบไม่ชอบ นะยินดียินร้ายรักเกลียดอันนี้ปรุงแต่งนะแล้วทำไมถึงชอบไม่ชอบทาไมถึงเกิดความรักความเกลียดยินดียินร้ายขึ้นมาก็พอมีการให้ค่ามีการตีค่านีตีค่าว่าอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ไม่ดีอันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรม อันนี้สมควรอันนี้ไม่สมควรหรือไม่ังตีค่าว่าอันนี้ยาวอันนี้สั้นอันนี้ขาวอันนี้ดำนะ น, นี้ก็เป็นการตีค่าหรือให้ค่าทั้งนั้นสั้นยาวนี้ก็เป็นเรื่องการให้ค่านะของสิ่งหนึ่งเนี่ยเช่นไม้บรรทัดเนี่ยมันมีทั้งสั้นและยาวในตัวมันเองเราจะมองเห็นว่ามันยาวก็เมื่อเราเห็น มันเทียบกับไม้บรรเมื่อเราเห็นมันเทียบกับดินสอมันมันทักก็สั้นอ่าม้มันทักก็ยาวแต่ถ้าเอามาไปเทียบกับเสามันก็กลายเป็นสั้นไป ห, หลวงพ่อชาติที่เคยสอนพระเนี่ในเรื่องนี้นะท่านสมบายให้พระเนี่ยรูปหนึงเนี่ยถือไม้ถือกิ่งไม้มาแล้วก็ถามพระทั้งหลายว่าเนี่ยกิ่งไม้นี้สั้นหรือยาวแล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ย ถ้าท่านต้องการไม้ที่ยาวกว่านี้ไอ้ไม้ที่ท่านยึดถืออยู่มันก็สั้นแต่ท่านอยากจะให้อยากได้ไม้ที่มันสั้นกว่านี้ให้ไม้ที่ถือที่ท่านถือไั้นันก็ยาวสั้นหรือยาวนี่มันขึ้นอยู่กับตัณหาหรือความอยากของท่านนะถ้าความอยากนี่หรือตัณหายิ่งมันตัวปรุงนะเป็นตัวปรุงเป็นตัวให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีนะสั้นหรือยาวเพราะหรือไม่เพราะ พอตีค่าให้ค่าแบบนี้เนี่ยความชอบความชังก็ตามมาความรักความเกลียวก็ตามมาได้เงินนะได้เงินมันก็จํานวนเงินนั้นจะมากหรือน้อยนะนะมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแต่มันอยู่ที่การตีค่าหรือความคาดหวังของเราด้วยความคาดหวังต้องนี่ก็มีส่วนนะ ที่ทำให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจอะไรที่ตรงกับความคาดหวังของเราเราก็ชอบอะไรที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเราเราก็ไม่ชอบเดินทางเดินธรรมยาตรายหรือว่าเดินเท้าถ้าหากว่าเดินเท่าไหร่ไม่ถึงสักทีมีความคาดหวังว่าเนี่ย ไอ้ตรงหัวโค้งนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางแล้วแต่พอไปถึงหัวโค้งนะปรากว่ายัางต้องอีกไกลหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายอีกไกลทุกเลยนะความทุกเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ตรงกับความคาดหวังการเปรียบเทียบก็เหมือนกันนะความเปรียบเทียบมันก็ทําให้เราพอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้มาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่การเปรียบเทียบ เราได้เงินร้อยนะแต่เพื่อนได้สิบบาทเราก็จะรู้สึกว่าร้อยนี่บ้าแต่ถ้าถึงแม้ว่าจะได้หนึ่งล้านแต่เพื่อนได้สองล้านนี่ไอ้หนึ่งล้านนี่กลายเป็นน้อยไปพอรู้สึกว่ามันน้อยไปไงทุกไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมฉันน่าจะได้สองล้านเหมือนเขา ไอ้พวกนี้มันเป็นความทุกขที่เกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นนะความรู้สึกว่าน้อยหรือไม่น้อยนะหรือว่าสั้นหรือยาวเนี่ยมันเกิดจากการเปรียบเทียบก็มีมันเกิดจากความคาดหวังก็มีมันเกิดจากความอยากก็มีแล้วก็ทำให้เกิดความชอบความชังความพอใจความไม่พอใจความยินดีความยินาย ถ้าชอบก็แล้วไปแต่พอช่านี่เป็นทุกข์เลยยินดีก็แล้วไปแต่พอยินร้ายนี่ก็ทุกข์นะอันนี้เห็นไหมว่ามันเกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากการปรุงแต่งของใจปรุงแต่งทั้งในแง่ของการความคาดหวังการเปรียบเทียบหรือการตีค่าให้ค่าการมองในแง่ลบก็เหมือนกันนะมองในแง่ลบเนี่ยทันทีที่เรามองในแง่ลบนี่ ความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีนะดอกไม้แม้มันจะสวยเพียงใดแต่ถ้าเราเห็นตำหนิของมันหรือจ้องแต่จะเห็นตำหนิของมันดอกไม้ก็กลายเป็นไม่สวยพอไม่สวยก็ไม่ชอบนะอาคารนี้หรือกำแพงจะทำประณีตอย่างไรแต่ถ้าเราไปจอดจงเลือกมองแต่สิ่งที่มันเป็นรอยด่าง มันก็กลายเป็นไม่สวยไปหน้าตาจะส飒สวยอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเห็นแต่รอยรอยด่างหรือเห็นสิวเห็นฝ้ามันก็ไม่สวยไปเสร็จแล้วเป็นงะ ก, ก็ไม่ชอบไอการมองในแง่ลบนี่ก็เป็นการปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการไม่รู้จักมองให้เห็นแตไ่ไม่มองให้รอบด้าน เเจอได้ว่าความทุกเนี่ยนะโดยเพราะความทุกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปรุงแต่งขึ้นมารวมทั้งความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูด้วยอันนี้เป็นการปรุงแต่งตัวที่เป็นรากเหง้าเลยทีเดียวเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยแต่พอไปยึดนะว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นมา แม้กระทั่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอมมนไม่เป็นไปตามใจปราถนานทุกเลยให้ความยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวกูของกูนี่มันเป็นตัวรากเงาของความทุกข์มันเป็นรากเงาของกระบวนการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจในเวลา เวลาเราเรียว่าปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยก็ให้เข้าใจนะว่าเนี่ยมันมันมีความหมายไหลแงนะ่แต่สุดท้ายนี่มันก็เป็นตัวที่พาไปสู่ความทุกข์งนั้นถ้าเกิดว่าไม่ปรารถนาที่จะเจอความทุกข์เนี่ยมันก็ต้องรู้จักกระบวนการปรุงแต่งนี้แล้วก็รู้เท่าทันมันแล้วก็ถ้าทําได้คือทําให้กระบวนการปรุงแต่งมันจบมันไม่เกิดขึ้น อะไรที่ทำให้กระบวนการปรุงแต่งมันจบมันมันไม่เกิดขึ้นตัวสำคัญคือสตินะสติเนี่ยเมื่อเกิดผัสสะ ข, ขึ้นมามีสติหรือเมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วมีสตินะการปรุงแต่งก็หยุดการปรุงแต่งก็จบเพราะว่าเราปกติเราปรุงแต่งเมื่อเราเผลอเราปรุงแต่งเมื่อเกิดความหลงขึ้นมาเมื่อเกิดความลืมตัวขึ้นมา แต่พอมีสติแล้วมันรู้ตัวพอมันรู้ตัวปุ๊บมันก็หยุดการปรุงแต่งนะได้ยินเสียงหรือว่าได้สัมผัส ร, รับรู้แล้วก็ตามก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้นะอย่างที่พระเจ้าได้สอนท่านภัยยะว่าเนี่ยเมื่อเห็นสักแต่ว่าหเห็นเมื่อไดีนสักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบแต่วา่าทราบเมื่รู้แจง้งแต่ว่าักแต่ว่ารู้แจง้งรู้แจ้งนี่ที่หมายถึงรู้แจ้งธรรมารมสักแต่ว่าก็คือว่ารู้เฉยๆนะ ไม่ปรุงแต่งนะใจเป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ชอบไม่ชังนะไม่ไม่รักไม่เกลียดถ้านะการปฏิบัตนะิที่เราฝึกกันมาเนี่ยก็เพื่อให้วางใจอย่างนี้หลวงพ่อเทียนท่านก็พูดเน้นอยู่เสมอนะรู้เฉยเรู้ซื่ๆซถ้ารู้เฉยเฉยรู้ซืแล้วเนี่ยมันทําให้การปรุงแต่งมันจบหรือว่าไม่เกิดขึ้น เมื่อความปุงแต่งไม่มีไม่เกิดนะมันก็ไม่ทุกข์มันมีแต่ความทุกข์กายแต่ว่าใจไม่ทุกข์นอกจากสติรปัญญานี่ก็สำคัญนะปัญญาที่ทำให้เห็นว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองนะให้เป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันก็เกิดจากปัญญานะปัญญาที่เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆเป็นเพราะเราไม่ ไม่เห็นไม่เข้าใจไอความเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยเราจรึงคาดหวังในสิ่งที่มันสวนทางความจริงนะคาดหวังว่าสิ่งต่างๆต้องเที่ยงไม่แปรปวนไม่สูญหายของจะต้องอยู่กับเรานะความสวยความงามความหนุ่มความสาวจะต้องอยู่กับเรานะรวมทั้งคาดหวังให้มันสุขวันนี้สุขภาพเราดี ก็หวังแล้วก็เชื่อจนยึดมั่นว่านเนี่ยนะมันจะต้องสุขแบบนี้ไปตลอดพอมันเกิดเจ็บป่วยขึ้นมากาลังวาชาถดถอยก็ทุกข์ละนะมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายทุกข์ใจด้วยหรือไปยิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอบังคับมันไม่ได้ร่างกายนี้บังคับมันไม่ได้จิตใจนี้พอบังคับมันไม่ได้ นะก็หงุดหงิดไม่พอใจเกิดความขับแคลนใจขึ้นมาอันนี้เพราะความยึดนะแล้วความอยากก็ตามมาซึ่งเกิดขึ้นเพราะความหลงแต่พอมีปัญญาเห็นความจริงแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราถ้าถึงเวลามันแปรเปลี่ยนไปมันกลายเป็นทุกข์ไปแล้วก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทุกตามไปด้วย จงทั่งถ้ามีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นเช่นนี้เองก็คือว่ามันแปลผันเป็นนิจมันทุกข์ล้วนๆนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความยึดติดถือมั่นก็หมดไปสติและปัญญามทาให้การปรุงแต่งมันไม่เกิดขึ้นและเมื่อการปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นนะให้ความทุกข์ก็จะไม่ตามมาชรามรณะ ทุกขโทมนัสก็ไม่เกิดขึ้นกระบวนการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยนะที่จริงก็ถ้าเราศึกษาหลวงปฏิจจสุบาก็จะพบว่าเนี่ยมันก็คือนะกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเวชนะไปตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโดยเพราะตรงเนี่ยตัวตัณหาอุปทานภพชาเนี่ยเนี่ยคือกระบวนการปรุงแต่ง ที่พูดว่าที่พูดปรุงแต่งเนี่ยคือพูดแบบย่อๆสั้นๆนถ้าพูดให้เต็มยศก็คือเนี่ยตันหาอุปทานภพชาติแต่ว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าตันหาอุปทานภพชาติมันคืออะไรพูดง่ายๆคือปรุงแต่งและสิ่งที่เราปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงเลย น, นั่าาา น, กกามมา น, นเรียกว่าชรามรณะแล้วก็ทุกโทมนัสก็ตามมานันนเรียกว่าทุกข์ใจ ไว้ น, นันเนี่ยนะอ่าสิ่งสำคัญที่เราต้องต้องเข้าใจคือว่าในเมื่อการปรุงแต่งมันทำให้ทุกข์นะก็ต้องพยายามทำใ ห, ให้กระบวนการปรุงแต่งมันจบหรือมันไม่เกิดขึ้นซึ่งสติเนี่ยเป็นอันเป็นตัวสำคัญเลยนะรวมทั้งการฝึกใจให้รู้เฉยเฉยรู้ซื่อๆ่อรู้ด้ยใจเป็นกลาง มันทําให้ความยินดีความยินร้ายนะมันหมดไปซึ่งตัวนี้ก็จะค่อยทําให้ความสิ่งที่เป็นปัญหาคือรักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยมันจางคลายไปด้วยถ้าเราไม่เข้าใจนะว่ า, าการปรุงแต่งทําให้เกิดทุกข์ยังไงเราก็จะเพลอเราก็จะพลอยปล่อยใจนะชอบชังไปตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปล่อยใจมันไปเต็มที่เลยนะ อะไรที่ให้ความสุขก็ชอบอะไรที่ไม่ให้ความสุขก็ชังหรือว่าปล่อยใจคิดแต่ในแง่ลบหรือว่าปล่อยให้ความคาดหวังเข้ามาคลองใจอะไรที่ไม่พอความคาดหวังคลองใจแล้ว อ, อะไรที่ไม่ตรงกับความคาดหวังก็ทุกข์เกลียดโกรธเกลียดไม่ชอบรวมทั้งการชอบเปรียบเทียบในการชอบเปรียบเทียบนี่ก็ทำให้เป็นทุกข์ได้ง่ายเหมือนกัน เพราะว่าจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่การเปรียบเทียบจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่การเปรียบเทียบสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่การเปรียบเทียบดนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบไม่เป็นนี่มันก็ทำให้เห็นแต่หรือพบแต่ความไม่สวยพบแต่สิ่งที่มีจำนวนน้อยสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจแล้วทุกก็ตามมา การปฏิบัตินะเพราะนั้นจึงต้องเข้าใจนะต้องอย่างน้อยต้องรู้ทันให้ได้เมื่อมันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ว่าปรุงแต่งที่หยาบหรือละเอียดแค่ไหนก็ตามเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะนะเพียงแค่รู้ทันมันการปรุงแต่งก็จบหรือหยุดนะแล้วความปกติก็ตามมาอาล้วชานี้ก็พูดกับท่านนี้กลับห่าง